ใจคนเรามันก็มีที่ไปหลายที่นะช่องออกมันก็มีหลายช่องช่องออกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายความคิดนึกปรุงแต่งเราเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นมันมีเรื่องที่จะทำให้ใจเราเนี่ยมันออกไปง่ายดึงใจเราออกไปจากสภาวะที่เราเห็นตัวเราอันหนึ่ง กายเราอันหนึ่งใจเราอันหนึ่งมันก็พยายามดึงให้เราไม่เห็นไม่ให้เราเห็นสภาวะแบบนี้ได้ถ้าอยู่บ่อยๆได้อยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญว่ามันเป็นวิธีการที่ดีที่จะทําให้เราถ้า ต้องการพัฒนาจิตใจต้องการที่จะพัฒนาคุณภาพจิตใจให้มันเข้มแข็งต่อสู้กับความทุกข์ได้ดีอันหนึ่งก็คือการไม่คลุกคลีด้วยหมู่การที่เราไม่คลุกคลีด้วยหมูเนี่ยมันก็ทําให้เป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยย้อนใจกลับมาไว้ที่ ตัวเองคอยเห็นใจตัวเองได้ดีขึ้นแต่ถ้าเรายังอยู่กับหมู่คณะไม่ได้หลีกออกจากหมู่คณะมันก็ทํายากกว่ายากกว่าการที่เราได้ปลีกออกจากหมู่คณะเพราะฉะนั้นอสังคณิกาคือการที่ไม่คลุกคลีด้วยหมู่ก็เป็นคุณธรรมอันหนึ่งนั่นแหละ ที่พระพเจ้าสันเสินว่าเป็นเครื่องขูดกลาวกิเลสอย่างยิ่งอย่างยิ่งยวดเป็นหนึ่งในสัลเลขธรรมนะแล้การที่เราอยู่คนเดียวไม่คลุกคลีด้วยหมูเนี่ยมันก็ไม่มีภาษะมาก ไม่มีภาษาทางตาไม่มีภาษาทางหูไม่มีภาษาทางร่างกายมันก็ไม่ไม่ได้เปิดประตูมากจนเกินไปไม่ได้เปิดประตูให้ใจมันหนีออกไปได้ได้ง่ายกันที่เราอยู่คนเดียวโบราณก็ว่าอะไรอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดเพราะฉะนั้น มันก็เทียบเคียงให้เราเห็นนั่นแหละว่าเวลาที่เราอยู่คนเดียวเนี่ยส่วนมากเนี่ยใจเรามันก็จะหนีไปทางความคิดง่ายเพราะนั้นก็ถึงให้ระวังแล้วมันก็จะคิดไม่ค่อยดีนั่นแหละส่วนมากมันก็คิดในเรื่องไม่ค่อยดีบางคนโกรธคนนั้นคนนี้ยังติดอยู่ในใจอยู่ก็เอาเรื่องโกรธนั้นมาคิด อย่างบางคนมีปมอยู่ในใจปมด้อยนู่นนี่นั่ น, นอะไรเงี้ยพอมันนึกถึงอยู่ว่างๆมันก็โผล่ออกมาในใจเราโผล่มาในความคิดเราก็เป็นเรื่องปกติแลาวเขาถึงให้ระวังระวังคือไม่ใช่ว่าจะไม่คิดแต่ให้ระวังว่าเวลาที่มันคิดแล้วเนี่ยอย่าส่งใจไปหามันอย่าส่งใจ ให้ไปต่อความยาวสาวความยืดกับมันพอรู้ว่ามันกำลังคิดคิดเรื่องไม่ดีคิดเรื่องที่ทำให้เราหดหูคิดที่ทำให้เราโดนบั่นทอนกำลังใจไปทำให้ใจเราไม่สงบระงับทำให้ใจเรามไม่ผ่องใสไม่เบิกบานไม่ช่ำชื่น พอรรู้ว่าความคิดประเภทนั้นมันเกิดขึ้นมาเราก็ทำแบบนี้แหละเหมือนที่เรากำลังฝึกอยู่นี่แหละก็คือไม่ใส่ใจอยากคิดคิดไปแต่ใจเราย้อนกลับมาอยู่ที่ลมหายใจย้อนกลับมาที่การบริกรรมพุทโธอยู่ได้เอาพุทโธเป็นหลักเอาลมหายใจเป็นหลักในการผูกใจของเราไว้ไม่ปล่อยให้ความคิด ที่เราไม่ได้ควบคุมมันพาใจเราออกไปแม้กระทั่งคนที่มีความรักรักของชายหนุ่มหญิงสาวก็ตามเขาเรียกว่ามันจะมีความติตรึกวิตกไม่ใช่วิตกกังวล น, นะวิตกในที่นี้ก็คือการติตรึกนึกนี่แหละ ไปในทางกามแตเรามีการมาวิตกอยู่บ่อยๆความรักความผูกพันความใคร่มันก็ตามมาหนีมากขึ้นอันนี้ก็ไม่ได้มาจากเหตุปัจจัยภายนอกเลยก็มาจากเหตุปัจจัยภายในเราเองล้วนๆแล้วมันก็ไม่ได้รับ การดูแลไม่ได้รับการเยียวยามันก็จะบ่อยขึ้นสุดท้ายก็กลายเป็นนิสัยที่เป็นคนที่มีนิสัยความติกึกเป็นในทางกามมันก็จะสวนทางกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าทางเดิน ที่เราจะมุ่งหน้าไปสู่ความพ้นทุกข์ก็คือเราจะต้องเป็นผู้ที่หลีกออกจากกามกามนี้ไม่ใช่หมายถึงเรื่องทางเพศอย่างเดียวนะก็คือความรักใกล้ ย, ยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสการที่เราคิดเรื่องนั้นบ่อยๆติตรึก เรื่องนั้นในใจเราบ่อยๆมันก็กลายไปเป็นนิสัยให้ใจเราเนี่แหละการที่เรามีใจคอยผูกไว้กับเครื่องอยู่คือลมหายใจหรือคาบริกรรมพุโทโธเหล่านี้ทำได้บ่อยๆทำได้เรื่อยๆมีแก่ใจทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆมันก็จะได้นิสัย นิสัยที่ใจเราเนี่ยจะอยู่อยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจเป็นนิสัยที่เราจะมีความคิดความเห็นที่ให้คุณค่ากับการหลีกออกจากกรามความสงบที่เกิดแต่การหลีกออกจากกาม คนที่ปฏิบัติทำปฏิบัติแล้วปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ยบางคนปฏิบัติแล้วก็รู้สึกว่ามีความมั่นคงมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องอย่างบางคนก็ปฏิบัติทำได้ดีเสร็จแล้วก็ถอยถอยกรูดแล้วก็พอมันไม่ดีก็ถอยเข็นไปใหม่ ก็มีได้หลายๆรูปแบบแต่การที่เราปฏิบัติทำหลีกเร้นก็ได้เป็นสนามซ้อมที่ดีนะ่นะสนามซ้อมที่ดีให้เราได้พักให้เราได้มีเวลามาให้อาหารใจมีเวลาที่เราจะเอาขยะออกจากจิตใจมันจะเหมือนเราเก็บกวาดห้อง ห้องเราไม่ค่อยได้ทำความสะอาดเราวุ่นเรายุ่งบ้านก็ไม่ค่อยได้ทำความสะอาดห้องก็ไม่ค่อยได้ทำความสะอาดมีเวลาก็แป๊บเดียวตื่นมาก็ต้องรีบออกไปแน่นอนแหละบ้านมันก็ต้องรกเป็นธรรมดาพอมีเวลาหยุดสักสามวันห้าวันเจดวันก็เต้มาบริหาร จัดการกับห้องที่มันรกได้เก็บของให้มันเข้าที่เข้าทางอะไรที่มันไม่จำเป็นก็ทิ้งห้องบ้านมันก็น่าอยู่ขึ้นใช่ไหมสะอาดขึ้นน่าอยู่ขึ้นแต่พอยิ่งอยู่ไปอยู่ไปแล้วเราก็ปล่อยให้มันสกรปรกรก เราก็ไม่ค่อยอยากอยู่นั่นแหละใจเราก็เหมือนกันใจเราถ้าเราหมั่นทําความสะอาดใจิตใจอยู่บ่อยๆอยู่เรื่อยๆใจเราก็ผ่องใสใจเราก็เยือกเย็นมีความสุขเป็นใจที่มันสง่างามสวยงามพอมันเป็นอย่างนั้นเราก็อยากให้มัน เป็นแบบนี้หยู่เรื่อยๆมีแก่ใจที่เราอยากจะมาทำความสงบอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะใจที่มันเบาสบายไม่หนักไปด้วยอารมณ์ผ่องใสเยือกเย็นมันก็เป็นใจที่มีคุณค่าแหละก็เหมือนเราได้ได้เงินได้เพชรพลอยเก้วมา น, นีต่างๆมาไว้ เราก็รู้สึกโอ้ดีนะแต่ใจที่มันสงบเบาสบายเยือกเย็นผ่องใสสว่างสวยมันยิ่งมีค่ามากกว่าเพชรนินจินดาเหล่านั้นอีกพอได้แล้วเราก็จะคนที่ได้แล้วจริงๆนะเราจะรู้สึกไม่อยากสูญเสียไปแหละเพราะมันมีค่าจริงๆ ถ้าใจเรากลับไปเป็นใจแบบเดิมเป็นใจแบบที่ปกติที่มั่วซั่วไปด้วยอารมณ์ต่างๆแล้วก็โดนชักจูงไปด้วยอารมณ์ต่างๆมันก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นไทยเลยแล้วก็เป็นธาตุที่เราจะต้องคอยไปซ้ายไปขวาตามมันแต่ใจที่มันสงบป่องใสเยือกเย็นสว่างสวัยมันก็ไม่ได้เป็นธาตุอารมณ์เป็นไทย จากอารมณ์ทั้งหลายเป็นใจที่มีอิสระเวลาที่คนโดนจองจำติดคุกติดตารางนะมันก็สูญเสียอิสราภาพนั่นแหละเราก็ต้องมีเวลากินมีเวลานอนห้ามทำอันนี้เวลานี้ต้องทำอันนี้มันก็ไม่ค่อยน่าพอใจเท่าไหร่แหละ แต่ถ้าได้ออกจากเรือนจำมันก็มีอิสระอยากกินก็กินอยากนอนก็นอนอยากเที่ยวก็เที่ยวมันมีความสบายกว่ากันมากชั้นใดชั้นนั้นการที่ใจเรามีศักยภาพแล้วก็ไม่ได้ติดไม่ได้โดนกิเลสมันผูกมัดเอาไว้ใจมันก็จะเป็นไทยไม่มีเครื่องรั้ง ไม่มีเครื่องผูเป็นใจที่เบาสบายปรับปรองมันก็ดีกว่ากันเยอะนะั่นแหละใช่แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะไปถึงจุดตรงนั้นได้คนที่ไปถึงจุดตรงนั้นได้เนี่ยแน่นอนว่าเขาก็ต้องสี่ยสละบางอย่างเพื่อให้ได้บางอย่าง มันไม่มีอะไรที่มันได้แต่โดยถ่ายเดียวถึงแม้ในด้านธรรมะ ก, ก็ตามนะเราก็ได้บางอย่างแล้วก็เสียบางอย่างไปเราบอกว่าเราอยากได้ความสุขที่สงบระงับจากตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส เราก็ต้องแลกไปด้วยการที่เราไม่คลุกคลีกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเราบอกเราอยากได้ความสงบระงับเราก็ต้องแลกมาด้วยการที่เราไม่คลุกคลีด้วยหมูเราอยากที่จะให้ใจมีศักยภาพในการเห็นรู้เข้าใจเชี่ยวชาญ ในการที่จะเห็นตามความเป็นจริงในการเชี่ยวชาญในการทำความสงบเราก็ต้องยอมเสียสละนิสัยที่เรายินดีพอใจใช้เวลาไปเพลิดเพลินยินดีไปกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสถ้าใจเรายังเพลิดเพลินไปกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วเราก็ให้มันมีความสงบระงับ อยู่ในภายในคู่กันไปมันทําไม่ได้ได้อย่างต้องเสียอย่างหนึ่งแต่ทำไมเราจะต้องเอาคู่กันล่ะในเมื่ออันหนึ่งมันดีอีกอันหนึ่งมันไม่ดีเพราะฉะนั้นเราเสียสละอันไม่ดีเพื่อสิ่งดีมันมันดีสิเวลาคนที่ เป็นเนื้อร้ายอาจจะที่มือก็ได้ที่ขาก็ได้สมมติเนี่ยเราบอกว่าเราเสียด้เราก็ต้องอยู่กับมันไปแต่ความเป็นจริงคือเนื้อร้ายตัวนี้มันหมดทางเยียวยายแล้วมันจะกินเราไปเรื่อยกินตัวเราไปเรื่อยๆเราก็ต้องตัดออกไป ถ้าเรายังอยากมีชีวิตเราต้องตัดมันออกไปถ้าเรายังปล่อยให้มันเน่าเนี่ยมันก็เข้าไปในเลือดเราใช่หมชโรคเนี่ยพอมันเข้าไปในเลือดเราทีนี้มันก็กระจายทั่วตัวเราตายแน่นอนแต่คนที่ยังปรารถนามีชีวิตอยู่ก็ต้องสลัสละเนื้อร้ายอันนี้ออกไปตัดมันออกไปเพื่ออะไรก็เพื่อ ความเป็นอยู่ที่มันดีขึ้นชีวิตที่เราจะดำรงอยู่ได้แล้วก็มีทุกทางกายลดลงแต่เราบอกว่าเราอยากจะมีความสุขทางกายมากขึ้นมีความเป็นอยู่ทางทางทางความปกติที่มันดีขึ้นโดยที่เราจะเก็บเนื้อไร่นี้เอาไว้มันก็มันไม่ใช่เหตุมันไม่ใช่เหตุของการที่มันจะอยู่ได้อย่างปกติ เพราะเราอยากอยู่ได้อย่างปกติเราต้องยอมเสียเสียคือเอาเนื้อไร้อันนี้มันออกไปแล้วคุณภาพชีวิตของเราก็ดีขึ้นแล้วเราก็สมมติเราตัดขาทิ้งใช่ไเราก็อยู่อย่างคนขาที่มีขาข้างเดียวไม่เห็นมันจะเป็นอะไรเราก็แค่มาฝึกกิจวัตรประจำวันของเราใหม่ให้มันคุ้นเคยกับการที่เรามีขาข้างเดียว แต่คนปฏิบัติธรรมมันไม่ได้ดูภาพลักแบบนี้หรอกนะหมยายถึงว่ามันไม่ได้ตัดแขนตัดขาอะไรอย่างนี้หรอกแค่มันตัดเอานิสัยนิสัยที่มันไม่ดีออกไปอะ่ะมันไม่ได้เหมือนตัดแขนตัดขาแล้วชีวิตมันจะอยู่ลําบากนะแต่นิสัยที่มันไม่ดีนิสัยที่มันแบบว่า อ, อย่างเช่นชอบบน่นชอบนินทาชอบเสียมคนอื่นหรือฆ่าสัตว์ทำร้ายสัตว์หรือว่ากินเหล้าเมายาอะไรอย่างนี้เป็นต้น ถ้าเราตัดพวกนี้มันออกไปได้นิสัยเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปในแบบที่เราไม่ฆ่าสัตว์เราไม่ทำร้ายสัตว์เราไมา่พูดว่าร้ายนินทาใกลไม่เสียมใครเราไม่นอกใจคู่เราไม่ดื่มเครื่องดองของเมาเพราะเราตัดมันออกไปได้เรามีนิสัยอันใหม่ที่เราไม่ยุ่งเกี่ยวกับพวกนี้ชีวิตเรามันต้องดีขึ้นแน่นอน จิตใจเราก็เป็นจิตใจที่มันมีนิสัยที่มันเที่ยงตรงต่อทางที่มันดีขึ้นก็อยากจะโยงกลับมาตรงที่ว่าคือการปฏิบัติธรรมอะเราก็รู้ว่าทําอะไรแล้วมันดีแต่ถ้าเราอยากจะให้มันดียั่งยืนเราต้องทํามันจนเป็นนิสัยสร้างนิสัยใหม่ให้ใจถ้าใจเรา ยังไม่ได้เปลี่ยนมาเป็นนิสัยด้านดีให้มันให้มันเป็นนิสัยด้านดีอะ่ะถ้ามันเปลี่ยนไปเป็นนิสัยด้านดียังไม่ได้มันก็ยังต้องลุ่มๆดอนๆแบบเก่าไปก่อนดีบ้างไม่ดีบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างเหมือนคนสูบบุหรีอ่อ่ะถ้ายังเลิกนิสัยที่จะสูบบุหรี่ไม่ได้ มันก็ดู ด, ดเลิเลิกดู ด, ดเลิกเลิกอยู่อย่างั้นแหละเลิกไม่ได้สักทีนึง่ถ้าเราเปลี่ยนนิสัยใหม่ได้เราไม่เปลี่ยนเด็ดขาดเลิกได้อย่างเด็ดขาดไม่กลับไปหวนไปสูบอีกพอเราทําได้จริงๆจังๆแล้วเนี่ยเราก็ขึ้นชื่อว่าเราไม่ใช่เป็นคนติดบุหรี่เรามีนิสัยที่เราเป็นคน ไม่ติดบุรีไม่สูบบุรีแล้วความเป็นอิสระมันก็มีมากเพราะอะไรเพราะว่าคนติดบุรีเนี่ยนะมันมีความสุขตอนไหนตอนได้สูบบุรีนี่แหละไอตอนเสียนอยากสูบบุรีน่มันก็โอ้ยมันจะเป็นจะตายให้ได้เพราะนั้นความสุขมันก็พึ่งที่บุรีนั่นแหละ ความสุขของคนสูบบุหรี่มันจึงเป็นความสุขที่มันแบบอย่างเขาเรียกว่าคับแคบอยู่แต่มันจะต่างจากคนที่เลิกบุหรี่ได้แล้วหรือไม่สูบบุหรี่เลยความสุขเขาไม่ต้องพึ่งบุหรี่แล้วมันเป็นความสุขที่มันกว้างขวางใหญ่โตเป็นอิสระไม่มีเครื่องผูกมัดมันดีกว่ากันมาก เราะฉะันที่เราเปลี่ยนนิสัยได้นะเปลี่ยนนิสัยให้มันกลับมาอยู่ในทางที่มันดีในแบบที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ได้เนี่ยมันก็จะเหมือนกับที่เราเปลี่ยนนิสัยจากคนที่เราติดบุหรี่มาสู่คนที่ไม่ติดบุหรี่ความสุขมันก็จะกว้างขวางเป็นอิสระสบายกว่ากันมากแต่ถ้าเรายัง เปลี่ยนนิสัยไม่ได้พูดง่ายคือเราก็ยังต้องหาความสุขในแบบเดิมๆในแบบคนที่ยังติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันก็ยังเป็นความสุขที่เขาเรียกว่าคับแคบยังไม่เป็นอิสระเท่าที่ควรยังต้องพึ่งพิงของพึ่งพิงคนรอบข้าง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้มาได้โดยการที่เราสั่งได้ทุกครั้งมันเป็นความสุขที่เขาเรียกว่าวัดดวงนะหาได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ถ้าเรามีนิสัยที่เราหลีกออกจากการมใจเราไม่ได้ไปผูกติดผูกยึดกับความสุขว่าเขาต้องทำแบบนี้เราจึงมีความสุข เขาต้องเป็นอย่างนี้เราจึงมีความสุขหรือเราต้องได้กินอันนี้เราจึงจะมีความสุขเราต้องอยู่อย่างนี้เราจึงจะมีความสุขพะเราไม่ได้ยึดติดกับสิ่งเหล่านี้ความสุขเรามันก็กว้างขวางขึ้นไปอยู่ตรงไหนก็ได้ก็มีความสุขแล้วความสุขที่เราหาได้ก็คือความสุขที่เราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับใครเรามีความพอมีความอิ่ม ในทานที่เราอยู่กับตัวเองทําความสงบจิตใจใจเราไม่หิวใจเราไม่กระหายในอารมณ์ใจเราก็อยู่ตรงไหนแล้วก็มีความสุขได้เพราะฉะนั้นชีวิตของเรามันต้องเป็นชีวิตที่น่าอิจฉากว่าคนทั่วไปแน่นอนอยู่ตรงไหนเราก็ยิ้มได้จากภายในจิตใจออกมาถึงริมฝีปาก ออกมาถึงทางสายตากิริยาท่าทางใครอยู่ใกล้ก็รับรู้ได้ว่าคนเนี้ยน่ายฉาเป็นคนมีความสุขอยู่ยังไงยังไงเขาก็มีความทุกข์น้อยเดอเราจะมองคนอื่นในแบบที่เขามีความสุขแล้วเราก็หวังว่าจะเป็นอย่าง อย่างที่เขาเป็นอันนี้ยังไม่ดีแต่เราให้เรามองไปถึงว่าเขาทำเหตุอะไรแล้วเขาถึงได้มีศักยภาพแล้วได้ผลของความเป็นสุขแบบนี้ให้เร า, เราดูที่เหตุแล้วเราก็มุ่งทำเหตุอันนั้นให้มันดี ก็สรุปรวบยอดไปเลยนะว่าเราก็เดินบนทางที่พระพุทธเจ้าตรัสเอไว้นี่แหละก็คือย่นยอก็มีศีลเป็นกรอบกรอบชีวิตของเราอย่างเราเป็นคราวาแเราก็มีศีลห้าเป็นพื้นเราก็อยู่ในกรอบของศีล5้าเราถ้าอยู่ในศีลห้าแล้ว มันก็ยังมีความเบื่อเศร้าเหงาเซงหงุดหงิดฟุ้งซ่านอยู่ในจิตใจอยู่เราก็มาหัดทำความสงบให้กับจิตใจเราให้จิตใจเรามันไม่หิวในอารมณ์ให้จิตใจเราเป็นจิตใจที่อิ่มในอารมณ์อิ่มในอารมณ์ที่มันปราศจากโลภะโทสะโมหะราคาัคะเป็นอารมณ์ที่ที่ดีเป็นอาหารที่ดี ให้กับจิตใจพอเราเสพอารมณ์เหล่านี้ได้บ่อยๆความหงุดหงิดความฟุ้งซ่านความหิวความกระหายในอารมณ์มันก็จะได้รับการบรรเทาได้รับการเยียวยาใจเราก็จะมีความอิ่มมีความพอมากขึ้นมีความเบาสบายมากขึ้น แต่ถ้าเราอยากจะให้มันดียิ่งขึ้นไปกว่า น, นี้อีกให้มันมีเรื่องที่มากระทบใจเราได้น้อยๆหรือมีเรื่องก็เข้าไม่ถึงใจเราเราก็ต้องมาเอาความสงบในใจของเราเนี่ยใช้ไปในทางพิจารณาสิ่งต่างๆให้มันเห็นให้มันเข้าใจตามความเป็นจริงในแบบที่มันเป็นพอพูดอย่างนี้ปุ๊บ บางท่านก็อาจจะยังสงสัยแล้วอะไรที่มันเป็นมันเป็นอย่างไงเราถึงจะเรียกว่าเข้าใจในตามแบบที่มันเป็นก็ถ้าเราตั้งมันไว้เฉยๆมันก็จะค่อยๆเผยความจริงของมันให้เราเห็นนั่นแหละแต่ถ้ายังนั่นก็รวบยอดลงไปเลยว่ามันไม่มีสิ่งไหนที่มันตั้งเที่ยงังตั้งมั่นไม่เปลี่ยนแปลงไม่มี ความเป็นจริงของสิ่งต่างๆโดยรอบมันก็จะเป็นแบบนี้ก็คือมันไม่มีอะไรตั้งเที่ยงตั้งมั่นไม่มีอะไรตั้งในแบบนี้ได้อย่างยั่งยืนถาวรหรือแม้กระทั่งความรู้สึกของเราเองไม่ว่าจะเป็นความรักที่เรามีให้กับคนนั้นคนนี้มันก็มีขึ้นมีลงเหมือนกันมันไม่ได้อยู่ในระดับเดียวตั้งมั่นถาวรไปตลอด เพราะฉะนั้นในส่วนที่มันเป็นรูปธรรมก็ดีนามธรรมก็ดีมันก็ไม่มีอะไรที่มันตั้งเที่ยงตั้งมันมันเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลาถ้าเราเข้าใจอย่างนี้มันก็เป็นความเข้าใจตามความเป็นจริงที่ดีพอมันเปลี่ยนแปลงไปเราโดยธรรมชาติของใจเราก็ไม่อยากให้มันเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหม แต่พอมันเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงแต่ใจเราไม่อยากให้มันเปลี่ยนแปลงหรืออยากให้มันเปลี่ยนแปลงในแบบที่เราอยากให้มันเป็นแต่มันไม่เป็นตามที่เราอยากมันก็ทำให้ใจเราเป็นทุกข์ได้เป็นสิ่งนำทุกข์มาให้ใจเราได้ มันก็เป็นของที่มันไม่เที่ยงของที่เป็นทุกข์นั่นแหละสุดท้ายมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราเห็นได้ตลอดลอดฝังยังยืนถาวรมันไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนเราเขาทิ้งแท้แน่นอนเอาเข้าเตาเผาไปมันก็เป็นทัศนดินอันหนึ่งค่าของความที่เป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวตนก็ไม่มี แต่ของสิ่งเดิมอันเดิมพอเปลี่ยนไปอย่างนี้ใจเราก็เปลี่ยนตามไปด้วยถ้ามันเปลี่ยนปตามไปได้อย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าใจเรามีความสําคัญผิดมีความเห็นผิดเราก็มาแก้ใจเรานี่แหละให้เราเห็นสําคัญที่มันถูกตรงขึ้นว่าเออที่เราว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงมันก็อยู่กันชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นแหละ แต่มันก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาทิ้งแท้ตลอดกาลนานไม่ใช่ใครที่ว่าเป็นคนแล้วแถมคำว่ารักตบท้ายไปด้วยเนี่ยในเมื่อพอไปถึงจุดหนึ่งแล้วมันเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลแล้วในความรักมันยังอยู่อยู่หรือเปล่าถ้ามันไม่อยู่แสดงว่าอะไรที่ทำให้มันอยู่ตอนนี้ก็คือความหมายมั่นของใจของเรานี่ล เพราะฉะนั้นถ้าใจเรามันเห็นตามความเป็นจริงได้เราก็จะลดทอนไอความหมายมั่นลงไปพอความยึดมั่นความถือมั่นมันลดน้อยหรือมันน้อยลงได้เนี่ยใจเราก็เรียกว่าได้คลายจากพันธนาการของกิเลสลงไปถึงมันจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ใจเราคลายจากความยึดมั่นถือมั่นมันไปได้เนี่ยมันไม่กระตือรนใจเรามาก แต่ถ้ามันยังผูกติดยึดติดอยู่มากมันเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยก็กระเทือนใจเรามากแต่ถ้ามันไม่ผูกติดไม่ยึดติดกับใจเราเลยถึงมันจะเปลี่ยนไปยังไงเราก็ไม่กระเทือนใจเหมือนเงินเนี่ยใครกๆก็บอกว่าเป็นของดีเป็นของที่คนอยากได้เพชรนินจินดาใครๆก็อยากได้แต่พอของคนอื่นหาย เงินสักร้อยล้านพันล้านหายตนปล้นไปเงี้เราไม่กระทบกระเทือนเลยเพราะว่าของคนอื่นไม่ใช่ของเราแต่ของเรานี่ไม่ต้องถึงเงินเงินเงินล้านเงินหมื่นเงินอะไรล่ะเอาแค่เงินพันเงินเงินร้อยหายนี่ก็รู้สึกหงุดหงิดอยู่ในใจแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีความผูกติดผูกยึดกับเงินในกระเป๋าของเราเพราะว่ามันเป็นของเรา แต่ถ้าเราคลายความผูกติดผูกยึดอันนี้ลงไปได้เนี่ยถึงมันหายไปมันก็ไม่ค่อยเสียดายเท่าไหร่ถึงมันจะลดน้อยหรือมันจะเปลี่ยนแปลงไปเราก็ไม่ค่อยกระเทือนใจไปกับมันเท่าไหร่แต่ก่อนที่เราจะมาถึงตรงจุดนี้ก็อยู่บนพื้นฐานของกันที่เรามีสตินี่แหละมีสติทำความสงบให้เกิดขึ้นให้ได้ก่อน แล้วก็มีสติที่เกิดขึ้นแบบเนี้ยให้ได้เรื่อยๆให้มันเป็นสัมมาสติเกิดขึ้นให้ได้อยู่เรื่อยๆมีนิสัยที่จะทาให้สัมมาสติเกิดขึ้นอยู่ได้เรื่อยๆบนพื้นฐานตัวนี้พอเรามีนิสัยที่เราจะทําให้สัมมาสติเกิดขึ้นได้เรื่อยๆมันก็พัฒนาไปเป็นการรู้เท่าทันตามความเป็นจริงได้ ก็เลยต้องย้อนกลับมาตรงตรงนี้แหละแล้วก็ทําให้มันดีฝึกให้มันดีฝึกที่จะคอยหมั่นที่จะกลับมาตั้งอยู่ที่ลมหายใจตั้งอยู่ที่คําบริกรรมพุทโธให้ได้บ่อยๆให้ได้เรื่อยๆ